ทำบูชาพระรัตนตรัยอิมินาสกาเรณนะพุทธังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าขอบูชาพระพุทธเจ้าด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสกาเรณะธรรมังอภิปูชยามิข้าพระเจ้าขอบูชาพระธรรมด้วยเครื่องสักการะนี้อิมินาสกาเรณะสังฆังอภิปูชยามิ ข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ด้วยเครื่องสักการะนี้คำนมัสการพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภพควาพุทธังภัคควันตังอภิวาเทมิพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองข้าพเจ้าขออภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกราบสวากขาโตภักขวตาธรรมโมธรรมมนมัสสามิพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วข้าพระเจ้าขอนมัสการพระธรรมกราบสุปติปันโนภักขวตโตสาวกสังคโคสังคังนา ม, ามิ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระสงฆ์กราบนมัสการพระพุทธเจ้านะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตรัสสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง